ขอโอกาสท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะภาคสท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีธัญยารองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะพระสังฆาธิการในยนท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกรูปทั้ง พระวิญญาธิการและพระเจริยาธิเทศขอเจริญพรท่านผู้ในการสน ก, กาสนาพุทธาจังหวัดสระ บ, บุรีท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมนาฝ่ายพรือหัตทุกท่านวันนี้เรามาประชุมพร้อมกันในเรื่องที่มีความสำคัญต่อ พระพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปกครองและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องของการปกครองก็คือบทบาทของพระวิเนีาธิการเรื่องของการเผยแผร่ก็คือบทบาทของพระจริยานิเทศโดยมีเจ้าคณะประสังคาธิการที่ทําหน้าที่ ในทั้งสองบทบาทได้มาประชุมพร้อมกันกับทังฝ่ายผู้ประถัมก็คือสำนักงานศาสนานโยบายของคณะสงฆ์ในเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องพระวินยัยอธิการนั้นปรากฏชัดเจนในมติมหาเถรสมาคม ซึ่งได้มีมติในเดือนพฤษภาคมวันที่สิบพฤษภาคมสอง1ันห้าร้อยหกสิบเอ็ดที่ผ่านมาโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร้างกฎระเบีย ของมหาเถรสมาคมว่าด้วยพระวินญาทิการโดยมีท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีเป็นประธานกรรมการมีท่านพระพรหมโมลีและตัวกระผมเป็นที่ปรึกษาขณะนี้ร่าง กฎระเบียบที่ว่านั้นยังอยู่ในช่วงการดำเนินการแต่นโยบายก็ชัดเจนก็คือคณะสงฆ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และต้องการขับเคลื่อนภาษาสมัยใหม่เ้าเรียกขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยถ้าเป็นยักษ์ก็ต้องมีกระบอกพระวินญาธิการมีหน้าที่ในเรื่องของการปกครองที่สำคัญแต่ไม่ค่อยมีอำนาจในตัวถ้าเป็นดาวก็ไม่ใช่ดาวฤกษ์ไม่มีแสงในตัวเองไม่มีอำนาจ เป็นดาวเคราะห์เป็นผู้ช่วยตามกฎหมายกฎระเบียบที่จะร่างขึ้นเนี่ยต้องการให้พระวิญญทยาธิการมีอานาจมากขึ้นจะได้สะดวกในการปฏิบัติงานและไม่มีอุปสรรคขัดข้อง อันรวมถึงเรื่องมบประมาณในในเรื่องนี้จึงต้องรอกดหรือระเบียบที่ว่านั้นน่าจะออกมาภายในปีนี้เลยโดยรอคณะกรรมการมสชุดใหม่ คณะกรรมการมอสอชุดใหม่คงจะมาพิจารณาแต่คณะกรรมการยุบรางก็ต้องนำเสนอคณะกรรมการมหาเทสมาคมชุดใหม่เป็นไปตามพระรา ช, าาชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สี่ที่เพิ่งประกาศใช้มาเมื่อสองเดือนที่แล้วซึ่งมีบทเฉพาะการ ในบทเฉพาะการของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สี่ซึ่งกำหนดในในตัวพระราชบัญญัตินั้นกำหนดให้การแต่ตงตั้งกรรมการมหาเถระสมาคมต้องทำเป็นพระบรมราชโองการก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตัง้งกรรมการมหาเทรสมาคมชุดตามพระราชบัญญัตินี้ก็มี20รูปมีประธานหนึ่งรูปคือจะออสมเด็จพระสังฆราชก็รวมทั้งหมด21รูปจำนวนเท่าเดินที่ต่างออกไปก็คือ ไม่มีกรรมการมหาเถระสมาคมโดยตำแหน่งที่ต่างจากเดิมมีสองเรื่องไม่มีกรรมการมหาเถระสมาคมโดยตำแหน่งตลอดชีวิตซึ่งกฎหมายเดิมกำหนดให้สมเด็จพระราชาคณะเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นสมเด็จพระราชาคณะ และไม่มีการหมดวาระกฎหมายฉบับใหม่ยกเลิกตรงนี้ให้กรรมการมหาเถระสมาคมทุกรูปต้องมาจากการแต่งตั้ง20รูปเนี่ยแต่งตั้งเหมือนกันทุกรูปและให้มีวาระดำรงตำแหน่งแค่2ปี สองปีก็คือเหมือนเนึ่งแต่งตั้งเนี่ยปกติท่านอาจจะไม่ทราบตั้งกันทุกสองปีแต่เราจะไม่ทราบปหมดเมื่อไรอะไรเมื่อไหร่ทุกสองปีต่อไปนี้ทุกรูปมีวาระสองปีและอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้นี่เรื่องแรกเรื่องที่สองผู้แต่งตั้ง ไม่ใช่สมเด็จพระสรรตาชนดังเดิมแต่เป็นพระมหากษัตริย์โดยให้อำนาจพระมหากษัตริย์ในการทรงแต่งตั้งเช่นเดียวกับที่ทรงแต่งตั้งองค์ข้ามูตรีลักษณะคล้ายๆกับมหาเถรสมาคมชุดแรก ในประเทศไทยมหาเถรสมาคมชุดแรกเกิดขึ้นโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รศหนึ่งสองหนึ่งสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้าประกาศคณะประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่หนึ่งแล้วก็มายกเลิกในปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ มีพระราชวัญญคณะสงฉบับที่สองแล้วก็ยกเลิกไปอีกมีพระราชบัญญัติคณะสงฉบับปัจจุบันเรียกว่าฉบับที่สามสองพันห้าร้อยห้าแล้วสองพันร้อยห้าก็มีสี่ฉบับแก้ไขปรับปรุงเราเรียกว่าสองพันห้าร้อยห้าทับหนึ่งทับสองทับสามทับสี่ ฉ บ, บับที่ล่าสุดเรียกว่าทับสี่ฉบับทับสามก็คือมีมาตราเดียวออกเมื่อปีที่แล้วเรื่องสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระรชามนาฉ บ, บับที่สองออกในปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้า สาระสำคัญในปี2135เกี่ยวข้องกับพระพระนักพัฒนาเพราะว่าอำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธีการจากเดิมในปี2484มี4อย่าง2105ก็มี4อย่างปกครองศึกษาเผยแพร่ปกครองศึกษาเผยแ พ, พรพพ่สาธารณ ป, ประกาศ 2,505 เพิ่มอีกสองศึกษาสมครับกับสาธารณสมครบับมาเพิ่มในพระอิมยักษณะสง์2 5ทับ 2,135 ก็เลยทำให้มีศึกษาสมครบับมีทุนการศึกษาในหนกลางเนี่ยแล้วก็มีเรื่องอพระนักพัฒนา ช่วยน้ำท่วกไฟไหมอะไรต่างๆเรียกว่าสาธารณสงเพราะห์ที่เล่ามาให้เห็นภาพว่าในรอบหนึ่งร้อยปีเรามีพระราชาวิทยาคณะสงเนี่ยคลี่คลายมาตั้งแต่สองพันห้สี่ร้อยสี่สิบห้าสมัยรัชกาลที่ห้าก็หนึ่งร้อยกับสิบหกปีมาแล้วแล้วก็ฉบับ ปัจจุบันเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยรวมเป็นครั้งที่สี่ที่จริงก็คือแก้ไขสมครั้งรวมฉบับเดิมสองร้อห้าก็เป็นสี่ครั้งในในการที่บอกว่าเลือกมหาเถรสมาคมเนี่ยมันย้อนกลับต้องต้องเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะว่าท่านั้งหลายทางนานเกี่ยวกับกปกครองที่มาของของนานาจคืออะไรท่านต้องรู้ก่อนบทบาท ที่ของพระรพระวิญญาทิการบทบาทของพระเจริญิเทศเนี่ยมันหมายถึงท่านมีตําแหน่งอันแรกสุดท่านต้องมีตําแหน่งเป็นพระวิญญาธิการที่เขาตั้งแล้วก็เป็นพระเจริเทศที่เขาตั้งพอมีตําแหน่งท่านก็มีอํานาจมีอํานาจก็ไปทําหน้าที่ ถ้าท่านมีอำนาจมีหน้าที่มีตำแหน่งไปทำตามอำนาจหนะ้าที่เขาเรียกบทบาทที่มาของอำนาจคืออะไรของท่านทั้งหลายที่มาของหน้าที่มาจากไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาพยายามทำให้มันเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเพราะโดยเพราะพระวิทิการก็คืออาศัยมหาเถรสมาคมออกกดหรือระเบีย แล้วมหาเถรสมาคมตอนนี้มาจากไหนก็ขอใช้เวลาเท้าพันธ์ตรงนี้มันพันกันที่หนึ่งแต่มันเรื่องเดียวกันแล้วเดี๋ยวจะมาเรื่องบทบาทที่ว่ามหาเถรสมาคมมันย้อนเนี่ยก็คือฉบับที่หนึ่งพศ2404มีมหาเถรสมาคมมายกเลิกมหาเถรสมาคมโดยฉบับที่สอง2484 แล้วก็มากลับมาอีกสองานรอยห้าในพระราชบัญญัติสองสี่สี่ห้าเนี่ยเรียกว่ารอหนึ่งสองหนึ่งมหาเถรสมาคมมีแปดรูปประกอบด้วยเจ้าคณะใหญ่สี่รูปและก็รองเจ้าคณะเขาเรียกระดับรองรองเจ้าคณะอีกสี่รูปแปดรูปเนี่ยเป็นมหาเถรสมาคม ในสมัยราัชกาลที่ห้าบังเอิญไม่มีสมเด็จพระสังฆราชว่างเป็นสิบปีมามีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิร ญ, ญาพโรรสทรงบัญชาการคณะสงฆ์ในมหาเทวมคมแต่ในฐานะประธานแต่ไม่ได้เป็นสมเด็จสังฆราชจนสิ้นรัชกาลที่ห้ามาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสมัยรัชกาลที่หก แล้วมหาเถรสมาคมก็ทำงานใต้สมเด็จพระสังฆราชในการพูดถึงที่มาก็คือกฎหมายฉบับแรกบอกว่าให้มหาเถรสมาคมเป็นที่ทรงปรึกษาของพระเจ้าแผ่นดินในเรื่องกิจการพระาศาสนา พอ2484แก้เป็นคณะสังขมนตรีมีสมเด็จพระสันตราชเป็นประมุขเฉยๆผู้บริหารงานคณะสงฆ์คือสังคณายกเหมือนสังคนายกเหมือนนายกรัฐมนตรีเรียกว่าสังคนายกแล้วก็มีสังขมนตรีว่าการสี่ด้านปกครองศึกษาเผยแผ่สนุประกาศ มีแค่นี้แล้วก็มีช่วยว่ออาการอีกสี่ฝ่ายรวมเป็นคณะสังคมนตรีมายกเลิก 2, สองพันห้รอยห้าสองรับต่อไปเหมือนเดิมก็คือไม่มีคณะสังคมนตรีมีแต่มหาเถรสมาคมสมเด็จพระนัทธราชแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ไม่ใช่สมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตาแหน่งในปีในพรบปัจจุบันแล้วก็มาแก้ไขเมืม่อสเดือนที่แล้วกรรมการมหาเถรสมาคมมียี่สิบเอ็ดถยี่สิบรูปพระสารราชเป็นประธานทุกรูปมาจยา ก, การที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ในบทเฉพาะการนั้นเขียนไว้ว่าฉบับที่สุดท้ายในที่สี่เนี่ยบอกว่าให้มหาเถรสมาคมชุดปัจจุบันเนี่ยที่กำลังทําหน้าที่อยู่ซึ่งตอนนี้มีส7บเจ็ดรูปรวมประธานก็คือสมเด็จพระสังฆราชเป็นส8แปดปฏิบัติหน้าที่มหาเถรสมาคมต่อไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวแต่งตั้งชุดใหม่ถ้ายังไม่มีชุดใหม่ชุดนี้ก็ทำไปตามพรบ2 5 0 5ทับส่ส่วนที่ว่าจะหมดวาระเดือนนั้นเดือนนี้นั่นมันเป็นฉบับสามไม่มีแล้วเขายกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นชุดใหม่ ออกมาเมื่อไรก็จะมาพิจารณากฎระเบียบมหาเถกฎหรือระเบียบมหาเทรสมาคมว่าด้วยพระวินัยาีิกัอันนี้คือเพราะฉะนั้นนโยบายเนี่ยมันจะมีสองชุดนโยบายคณะสงฆ์ในมสชุดที่ยังอยู่ก็เป็นนโยบายหนึ่งผมพูดแทนได้แค่ว่าตาท่านให้ความสำคัญ ตั้งกฎระเบียบส่วนมหาเรงพระคมชุดต่อไปท่านจะมีนโยบายอย่างไรนั้นท่านก็ต้องรอและท่านจะให้อำนาจหน้าที่พวกเราตามที่คณะกรรมการยกร่างเสนอหรือไม่ก็ต้องรอผมพูดได้แค่นี้ในเรื่องนโยบายมีนโยบายอีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ผมเรียนถวายก็คือในรอบห้าปีที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะให้พระวิญยาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาโดยหลักปฏิบัติเนี่ยผู้ที่เป็นพระสังฆาธิการตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าวาดขึ้นไปเท่านั้นที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วถ้าพระวิญยาธิการหลายรูป ไม่ได้เป็นขระสังฆาธิการไม่ได้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดขึ้นไปท่านไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาก็ไม่มีอำนาจตามในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญาจึงมีความพยายามที่จะเขียนใส่ไว้ในกฎหมายให้พระวิทยาธิการเนี่ย เป็นเจ้าพนักงานตามกระบวนกากฎหมายอาญะกฎหมายนั้นเป็นร่างชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติอุประถมและคุ้มครองพระพุทธศาสนามีเรื่องธรรมะญาติการเนี่ยใส่เข้าไปด้วยมีเรื่องกองทุนพุทธศาสนาหรือธนาคารพุทธใส่เข้าไป ใช้เวลาอยู่ประมาณสี้าปีตอนนี้แทงไปแล้วไม่เอามาทำแล้วผมพูดให้แค่นั้นแหละครับเบื้องหลังไม่พูดก็จบไปเอาเป็นว่าไม่มีนโยบายในพระราชบัญญัติแล้วล่ะไม่ต้องไปรอแล้วก็ไม่ต้องมโนโ น, นะครับมันไม่มีทีนี้มาถึงเรื่องที่เรา เ, เมื่อผู้นโยบายไ ด, ได้จบไปแล้วทจนี้มาถึงว่าสิ่งที่คาดหวังกำลังเป็นไปเราทำอะไรกันอยู่และคาดหวังว่าบทบาทหน้าที่ของพระวิทยาธิการให้ทำอะไรซึ่งอันแรกท่านต้องดูตำแหน่งก่อนใครตั้งท่านสอง การตั้งมันจะบอกถึงตั้งให้ทำอะไรและมีอำนาจอะไรโดยปกติเนี่ยพระวิทยาธิการเนี่ยคือพระพิสุทธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดถ้าเจ้านณะจังหวัดแต่งตั้งเนี่ยก็มีอำนาจครอบคลุมอาจจะทั้งจังหวัดเลยบางแห่งให้เจ้าคณะอำเภอหรือรองลงมาแต่งตั้งก็มีอำนาจแค่นั้น แต่อำนาจที่ว่าเนี่ยเป็นอำนาจเงาคือช่วยงานเจ้าคณะจังหวัดในเรื่องการปกครองเพราะไม่มีกฎหรือระเบียบ ม, มสอรองรับตรงนี้คือประเด็นกฎย3 2สามของมหาดไทยระคมก็จะบอกในเจ้ า, าจังหวัดมีอำนาจหน้าที่อะไรเจ้าคณะอำเภอมีหน้าที่อะไรในการตรวจตรากิจาการงานคณะสงฆ์ในการกากับดูแล เพราะฉะนั้นการที่ท่านเป็นพระวิิยาธิการคือเป็นหูเป็นตาเป็นแขนเป็นขาให้เจ้าคณะผู้แต่งตั้งท่านนี่คือพูดตามตำแหน่งทีนี้เราก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีอำนาจหน้าที่มากกว่านี้และคและทำยังไงเมื่อบนบาทท่านถูกจำกัด โดยการแต่งตั้งอํานาจหน้าที่ที่ควรจะเป็นหนึ่งให้มีกฎหมายรองรับพ อ, อเป็นพรบอุปถัมภ์คุ้มครองขุนศนนไม่ได้ก็ออกมาออกเป็นกฎรหรือระเบียบ ม, มหาเถรสมาคมในการทํางานของท่านทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องอาศัยอํานาจจากสามฐานทุกวันนี้ท่านทําอาศัยอํานาจจากสามฐานด้วยกัน ไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างเดียวท่านพวกเราถึงทำงานได้และต้องตระหนักตรงนี้ด้วยอยากให้สามอำนาจมันขัดกันและถ้ามันขัดกันเนี่ยตัดสินด้วยอะไรอำนาจที่พระสงฆ์สามารถเอาไปใช้ปฏิบัติงานได้มีสามเรื่องเป็นพระมหา ah สมณวินิฉัยคือการวิริฉัยของ สทัาเรียกว่ามหาสมณะมะติเป็นมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรถในมติที่พระองค์แสดงเนี่ยได้ชี้แจงว่าคณะสงฆ์มีอำนาจที่จะใช้ได้จากสามถาน หนึ่งกฎหมายบ้านเมืองสองพระธรรมวินัยสามจารีตกฎหมายบ้านเมืองเราก็ต้องปฏิบัติตามและถ้ากฎหมายบ้านเมืองให้อำนาจเราทำอะไรเช่นตามพรบคณะสงฆ์สองพันหร้อยห้าทับหนึ่งทับสองทับสามทับสี่เนี่ยให้มหาเถรสมาคม ออกกฎมอสอระเบียบมอสอตั้งพวกท่านเป็นพระวิทยาที่การท่านมีอำนาจตามกฎหมายเพราะว่าพรบเป็นกฎหมายแม่ของเรากฎระเบียบเป็นกฎหมายลูกอันนี้เขาเรียกาตามกฎหมายท่านก็อ่านตรงนั้นแล้วก็ทําตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนี่ที่มาที่หนึ่งเรื่อง อีกครั้งหนึ่งอตอนนั้นยังไม่เกิดกฎตอนนี้ยังไม่เกิดกฎระเบียบมสท่านก็จะต้องสาโค้งหน่อยกฎมหาเถรสมาคมให้อำนาจเจ้าคณะพระสังฆธิการผู้แต่งท่านท่านมีอำนาจอะไรพระวิทยาธิการที่เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ก็มีอำนาจล้อตามนั้นแต่เวลาใช้อำนาจต้องนําส่งเจ้าคณะ เป็นผู้ใช้อำนาจไม่ฉะนั้นโดนฟ้องกลับเกิดอำนาจหน้าที่สาหรับโคกหองหม อ, อแต่ทำไมไม่ฟ้องกลับเพราะข้อสองข้อสข้อสองคือถ้าท่านอิงพระธรรมพรวินยัยมันผพิดพระวินัยชัดๆเพราะฉะนั้นถ้าผิดพระวินัยเนี่ยเป็นโทษร้ายแรงเข้า กดนิกขากมแล้วกดนิกขากรเนี่ยใช้เวลาสอบสวนนานชั้นต้นชั้นอุทธรชั้นอีกายกเว้นแต่ผู้ทำผิดสารภาพยอมรับผิดเราก็ดาเนินการไปตามที่เขายอมรับผิดนั้นก็คือเขายอมรับผิดว่าเขาผิดเพราะวิ น, นัยอาบัติร้ า, รายแรงเขายอมสิทธิ์อันนี้มันฟ้องไม่ได้เพราะว่า หนึ่งผิดซึ่งหน้าหรือหลักฐานชัดเจนอันที่สองเจ้าตัวยอมรับกฎนี้กรรมก็บอกไว้ถ้ายอมรับผิดก็ไม่ต้องดำเนินการถ้าเห็นว่าดาเนินการยอมรับอิดดันั้นตามสารภาพและเป็นเรื่องหลายแหล่เขายอมรับก็จบไปเลยอันนี้ที่พระวิทยาธิการสามารถดำเนินการได้ไม่มีปัญหาอะไรก็เพราะอิงพระธรรมวินายเลยพระวิฎ ย, ยัญยัติ อิงจารีดอิงจารีดคืออะไรครับเวลาที่เราไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของเราบางครั้งไปสมมติว่าพระดื่มสราเมาใหม่เมื่อดื่มสรามเมาใหม่ในที่สาธารณะเนี่ยตามพระวินยัยผิดอบัตอะไร อาบัดหนักไหมไม่ใช่ตามกฎหมายเมาสุรานี่ติดคุกไหมบ้านเบือนเมากันทั่วไปแล้วทำไมต้องจับสึกเราบอกว่าโลกวัชโลกวัชเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายไหนวินไหนไหนจารีบไหน เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่เมื่อไม่ใชเ่เรื่องที่หนึ่งกฎหมายกำหนดโทษไม่ใช่พระวินยัยแต่เป็นจารีตที่ถือปฏิบัติกันมาก็ทำได้อย่างตอนนี้เนี่ยตำรวจไปจับพระเสพยาเสพติดเสพยาเสพติดเนี่ย ตามกฎหมายเขาให้บาบัดเนะาะอาจจะไม่ต้องเข้าคุกก็ได้บาบัดถามว่าจะบาบัดในผ้าเหลืองหรือว่าให้ศึกไปมีใครบ้างจะมาทำบุญให้พระบำบัดอยู่ในผ้าเหลืองถวายไปเรื่อยเดี๋ยวก็ไปซื้อยามาเสกเพราะฉะนั้นในจารีตเนี่ยส่วนมากก็ไม่ให้อยู่ละอันนี้เราจะต้องเมน หนึ่งอำนาจตามกฎหมายถ้ามีการฟ้องกับเรามีกฎหมายรองรับไหมสองอำนาจตามพระธรรมวินัยสามอำนาจตามจารีตทีนี้ในเรื่องของในเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ความชัดเจนเนี่ยนะครับเพื่อให้อำนาจท่านเนี่ยมันจึงต้องออกกอดขอ ก, ออกระเบียบมาเพื่อ เพื่อให้มีฐ า, านลบหน้าทีนี้มาข้อที่อยากจะให้มีเนี่ยสมมติถ้าท่านไปจับไปตรวจไปจับอย่างพระบินุบาทเรี่ยะไรอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนำตัวมาส่งเจ้าคณะแล้วถ้าเขาขัดขืนอ่ะพวกเรี่ยะไรไไนีกมาเป็นสิบคนอ่ะ เราไปรูปสองรูปสมมติจะโดนลุมเอาอ่ะถ้าเขาลุมเล่นงานท่านเนี่ยท่านจะทำยังไงตัวใครตัวมันเนาะดูตามมาตราเรือซึ่งมันต่างจากอำนาจเจ้าวาออำนาจเจ้าวาเนี่ย ใครเข้ามาในวัดมาเมาสุราอารวาในในวัดตอนจัดงานเจ้ววาวัดไล่ออกจากวัดได้หลวงพว่อพระบุบาลีกุฎุมามาจารย์วัดเลยขิงเนี่ยเจอพวกที่เมาตอนไปเป็นเจ้ววาวัดใหม่ยังเป็นพระครูอยู่เลยท่านเล่าให้ฟังเจอพวกที่เมาเมาอยู่บนสาวัดตอนงานสงกรานวัดเลยขิง ใครก็ห้ามไม่ได้ดังละเลยพลักสวดไม่ได้เขาก็มาฟ้องเจ้าวาดพวกขี้เมาว่าลูกน้องกำนันนะนั่นเลยแล้วกำนันไม่ถูกกับเจ้าวาดมาต่อท่านเจ้าวาดใหม่ตอนนั้นเป็นเจ้าวาดใหม่ขึ้นไปบนสลาครับเจ้าวาดใหม่เนี่ยกําลังเมาได้ที่เลยเสียงดังลั่น หลวงพววอ่อพระพระครูเจ้าว่าตอนนั้นเป็นพระครูพระเลคิงก็บอกว่าโยมอย่ามาเมาบนสาลาวัดกำลังจัดงานพระจะสวดให้ลงไปแล้วไปเมานอกวัดทําตามอานาจหน้าที่สั่งให้คนออกจากวัดได้พวกนั้นกำลังเมาครับสลืมเสลือก็ลืมตามามองถามว่าท่านเป็นใคร ถึงมาไล่พวกผมถ้าเรียกตัวเองว่าอาตามะอาตามะเป็นสมผัสอาตามะก็มาให้ท่านออกไปให้พวกคุณออกไปพวกนั้นบอกว่ายังไงครับท่านถือดียังไงมาไล่พวกผมพวกผมกินเหล้าบนสาราวัดเล่นไพ่บนสาราวัดจนสมผัสตายไปหลายวงแล้ว ยังไม่เห็นหน้าไหนกล้ามาห้ามถือดียังไงผมก็ถามหลวงพ่อแ ล, ล้วหลวงพ่อทายังไงท่านก็บอกว่าผมก็ถอยสิมันบอกสมภารตายไปหลายองค์แล้วเดี๋ยวผมจะเป็นลายต่อไปทำยังไงถอยซึ่งถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนะครับ เจออย่างนี้เราใช้ภาษาว่าอะไรครับขออารักขาจากบ้านเมืองอย่าไปทำเองเดี๋ยวจะเป็นรายต่อไปยิ่งหายใจว่าญาติ อ, อยู่แต่ขออารักขาจากบ้านเมืองครับคาว่าขออารักขาคืออย่างไรมิใช่แต่ให้ตำรวจมาพาเขาออกไปเท่านั้น มันจบแต่ยังฟ้องในข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนัก ง, งานที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายการสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยสามารถขึ้นศาลฟ้องศาลได้เลยครับโดยตั้งเป็นข้อหาว่าเจ้าว่าสั่งโดยอำนาจหน้าที่แล้ว ผู้ที่รับคำสั่งก็รู้แล้วยังฝืนขัดคำสั่งเจ้าพนักงานคือเจ้าว่าซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าวาใครคำสั่งนี้มีโทษตามพระราชบัญญัติตามกฎหมายอายา ม, มาตราหนึ่งอสาม้ยหกสิบแปด ต้องขึ้นศาลนะครับฟ้องศาลแค่ขัดคำสั่งเจ้าวาที่สั่งโดยชอบเนียวรวมถึงเราสั่งโดยชอบสอบสวนแล้วพระประพฤติผิดไม่ยอมออกจากวัดเจ้าวาดสั่งไล่ออกจากวัดยังอยู่เราแจ้งตำรวจฟ้องศาลได้เลยครับโดยอำนาจตามกฎหมายอายามาตราส6 8หสบแปดความว่า ผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนัก ง, งานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสิบวันหรือปรับไม่เกินห0 0พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสิบวันถ้าเป็นพระนิสึกนะครับเพราะเข้าคุกวันเดียวก็ต้องขอบจีวรถ้าแพ้นในศาลฎีกา อีกเรื่องหนึง่งการที่คนเมาเหล่านั้นพูดกับหลวงพ่อเจ้าว่าว่าได้ขิงว่าถือดีอยังไงมาห้าพวกผมพวกผมกินเหล้าบนสรารวัตจนสมพานตายไปหลายองค์เนี่ยถือว่าดูมินนะเจ้าพนักงานารครับคมคูดูหมินเจ้าพนักงานาฟอ้องได้อีกครับฟอ้องว่าผิด พ, พระราชวิญญาณ กฎหมายอายา ม, มาตรา136ครับ136นี่ใช้ในกรณีปฏิบัติหน้าที่สมมติเราเป็นเจ้าวาดกำลังไกล่เกลี่ยโยมที่ทะเลาะ ก, กันเลยคนลุกขึ้นชี้หน้าบอกท่านเป็นใครแต่ก่อนก็เป็นนี่ผมมต่ก่อนบวชนนจะมาห้ามผมได้ไงรดูหมินึ่งกรณีอย่างนี้ฟ้องได้ครับแจ้ง มาตรา136ผู้ใดดูมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทําการตามหน้าที่ต้องระวังโทษจําคุกหนึ่งปีครับหรือปรับไม่เกิน2 0 0พันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถ้ามีอาวุธอำ น, นาจตรงนี้พระวิทยาธิการปลอดภัยเยอะเลยอันนี้ฝากสนธาพิด้วย ถ้าเป็นเจ้าพนัก ง, งานตามกฎหมายแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราเป็นเจ้าอาวาสเราก็เป็นเจ้าพนัก ง, งานตามกฎหมายแล้วเป็นพระวิทยาติการด้วยใช้ได้ไหมคําตอบนะครับต้องไปถานเจ้ากฎหมายแต่ับข้อวินิจฉัยผมก็คือการเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าพนัก ง, งานตามกฎหมาย ใช้อำนาจนี้ได้เมื่อท่านปฏิบัติหน้าที่เจ้าวัดเท่านั้นครับแต่นอกวัดไม่ใช่ครับไปอยู่นอกวัดก็ไม่ใช่เวลาไปอยู่นอกวัดท่านไม่มีอำนาจในคุ้มครองนี่ก็คือปัญหาเป็นเจนา้าคณะตำบลทำงานในตำบลเนี่ยใช่แต่นอกตำบลไม่ใช่ เป็นเจ้าหที่เภอเจ้าหนาที่จังหวัดใช่ผมเป็นเจ้าคณะภาคมีอานาจในฐานะเจ้น้าทการตามกฎหมายเมื่อสั่งในภาคพอนอกภาคนี้มันหมดนะครับขนาดจะไปนั่งอุปชานอกภาคยังต้องขออนุญาตเขาเลยท่านใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าคณะภาคเนี่ยจะไปนั่งอุปชาโนดภาคอื่นต้องขออนุญาตยกว่าเป็นมศออเนาะ ค่อยไปได้เลยทั่วราชนาจั ก, จกแต่ก็ต้องขออนุญาตวัดที่ตัวเองก็ไปนั่งผู้ประชายต้องแจ้งเขาะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจึงเนื่องจากว่าพูดกันในเชิงนโยบายนะครับก็ตั้งคำถามไปด้วยเมื่อสนักพุดด้วยไปคุยกันว่าจะทำยังไงเรื่องอันนี้คืออำนาจตามกฎหมายเจ้าพนักงานตามระบวน กฎหมายอาญาทีนี้มาถึงตามจารีตนะครับและก็พระธรรมวินยัยซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรามีจารีตมีพระวินัยรองรับแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเรามีบทบาททำงานอะไร ตั้งเป็นพระวิญญทยาธิการเนี่ยรู้รับผิดชอบเรื่องเนี่ยความรับลึกของพระพิสุทธเนตณแต่เขาให้ท่านทำอะไรเวลาสื่อรายงานเนี่ยหนังสือพิมพ์รายงานเขาเรียกพระวิญญทยาธิการว่าตำรวจพระจริงหรือไม่จริงอำนาจของเราเป็นตำรวจพระหรือไม่ พอพถึงตามกฎหมายตามพระธรรมวินยัยตามอะไรต่างๆเนยมันเป็นตรงไหนที่เข้าใจว่าเป็นตํารวจพระเนี่ยเพราะว่าบทบาทพระวิยาธิการส่วนกลางในกรุงเทษที่กรุงเทพมหานครสิบกว่าปีมาแล้วที่ดําเนินการเนี่ยแล้วก็เป็นต้นแบบในกรทมเลยเป็นต้นแบบพระวิยาธิการกทั่วประเทศ เป็นข้อสัญญา ต, ตกลงกันของจักรพรดกรุงเทพมหานค ร, รแล้วก็จังหวัดอื่นๆเจ้าลจังหวัดก็เรียนแบ่งให้พระวิทยาธิการทำสามเรื่องหนึ่งมีหน้าที่ตรวจตรานะครับตรวจตราบัญทีสัปดาห์ละสองสาครั้งออกตรวจ ซึ่งตามจากตรวจกิจการคณะสง์ของเจ้าคณะประสังสถานการนั่ซึ่งไปตรวจวัดตรวจตำบลตรวจอำเภออันนี้ตรวจไปตามที่ทั่วไปเหมือนจเรนะครับไปตรวจพระเดินทางตรวจพระแต่ไม่ได้ไปตรวจโยมไม่ได้ตรวจใครดูความประพฤติของพระภิกษุณีทั่วไปอันนี้คือตรวจตราเห็นความผิดปกติก็ดาเนินการตามอํานาจหน้าที่ เรื่องตัวตาก็คือเป็นหูเป็นตาไปคอยดูสอดส่องชิ่นมีคนแจ้งมาว่าที่ตลาดนั้นตลาดนี้มีการบินทบาทเวียนเทียนพระบินทบาทเวียนเทียนเราก็ต้องไปออกตรวจไปดูให้เห็นกับตามีการเรี่อะไรไม่ชอบมาพาคนบาบ่อยเราก็ออกไป ออกไปโดยการแจ้งโทรมาหรือพี่ผมมีผู้มาแจ้งหรือออกไปเองไปตะเวนไปเปนญจเรก็เรียกว่าตรวตราไม่ใช่ตรวจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะนะครับอันที่สองไปเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพาคนเราก็แนะนำะแล้ว อ, อันแรกก่อนนะครับ อาจจะช่วยในการประชุมชี้แจงไปตามวัดก็ได้มันมีกฎมีระเบียบขอเข้าชี้แจงหน่อยตอนนี้มีปัญหาไปกราบเรียนเจ้าว่าที่วัดพระเดชพระคุณเนี่ยมีเรื่องนั้นเรื่องนี้คนฟ้องไปไปชี้แจงเจ้าคณะในฐานะผู้แทนจ้าหาทีังหวัดเราก็ไปไปชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอให้มาระวังหน่อยควบคุมกา ก, กับดูแล อีกอันหนึ่งคือแนะ น, นําแนะนํานี่ทางแนะนําวัดในเขตที่เรารับผิดชอบแนะนําพระบางเรื่องนะครับมันเป็นอะไรนะมันเป็นความผิดที่เราเห็นเหรอแต่จารีตจารีตย่างยอมกฎหมายไม่ยอมต้องเปลนแปลงนะกฎหมายไม่ยอม แต่จารีตยังยอมอันเนี้มันมันขัดกันนะครับบางทีก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ท่านรู้ไปเรื่องอะไระผมยกตัวอย่างที่ตรงกันข้ามก่อนดึงสุลาเนี่ยจารีตไม่ยอมพระเมาสุลาเนี่ยจารีตไม่ยอมแต่กฎหมายไม่ได้ปรับโทษน่กกฎหมายยอมแต่บางเรื่องกฎหมาย มีโทษแต่จารีดหย่อมผมไปเนี่ยผมเห็นบางทีซึ่งหน้าเลยครับวันนี้ผมไม่มีอะไรรู้ไหมสุบุรีครับสุบุรีในวัดในที่สังนะมีโทษปรับนะครับใช่ไหมแต่เราไม่เคยปรับนะพระเดินสุบุรีปุยๆอย่าสูบนะครับเดี๋ยวโดนปรับต่วัดพุทธบาทเอาเริ่มก่อนเลยเนี่ย แจ้ตรวจปรับได้เลยครับเออแต่แต่ว่าจารีตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราไป็นส่วนบทไปไงตอนตอนยังไม่บวชยังไม่ติดบุหรี่นะครับพอไปบวชในภาษาออกมาสูบุรีสมัยก่อนนะญาติๆผมเนีสมัยก่อนผมได้ยินลงป้าอะไรเงี้ยถามว่าไปทำไมติบุรีไปส่วนบทที่ไหนมาครูบุรีนะท่านใส่พานมาแล้วแล้วก็น้ำอัดลง ควรนึงจารีบชาวบ้านยังไม่ว่าอะไรแต่กฎหมายว่าฉะนั้นในหลายเรื่องเนี่ยถ้าท่านเจออย่างนี้เนี่ยนะครับโปรดแนะนาเลยครับพี่กฎหมายสูบุรีในที่แถวนะในสนามบินในวัดในอะไรต่างนี่มีโทษปรับหนึ่งพันหรือสองพันจัดไม่ได้เพราะาไม่ได้เกี่ยวด้วยราไม่ได้กลัวเรไม่ได้สูกนี่ ใครสูบก็รู้โทษเราเองกันแล้วกันเตรียมเงินไว้เหรอน่าจะปรับพระเราจะได้หยุดสูบบางทีเห็นเลยอันนี้วิทยาทีิการช่วยแนะนำหน่อยเขื่นเจอซึ่งหน้าก็อ น, นสามเรื่องนะครับตัวตราชี้แจงแนะนำแค่นี้ยังไม่เรียกว่าตำรวจพระครับ เรามาเรียกตำรวจพระเพราะทำอีกหน้าที่หนึ่งคือจับตัวผู้กระทำผิดซึ่งนะเรี่ยไรเมาสุราบินทะบาดเวียนเทียนจับส่งเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตรับผิดชอบให้ดำเนินการตาม น, านหน้าที่ไอ้ต อ, ตอนจับส่งนี่แหละชาวบ้านเขาเห็นเนี่ย มาแล้วพระตำรวจพระมาแล้วจับดี ว, ว่าไม่ติดคือแจมืือเท่านั้นแหละหรือมัดโอกแกนเท่น้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้นะครับที่เรามีอำ น, นาจในการนำตัวไปส่งเจ้าคณะพระสังฆาธิการแต่ไม่ได้ดำเนินการเองให้เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะในเขตนั้นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทีนี้อำนาจหน้าที่ที่ให้ดาเนินการเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นกลุ่มนะครับเวลาที่เราไปใช้หน้าทำหน้าที่ดีกว่าหรือมีอำนาจหน้าที่ก็ตา่างมีสามกลุ่มด้วยกันหนึ่งถ้าเป็นความผิดไม่ร้ายแรงเช่นสุบริที่ผมว่าเนี่ยก็ให้แนะนำตักเตือนแนะนำตักเตือน สุบริในวัดในที่สาธารณะแนะนำจักเตือนหรือมันไม่สมควรมันเป็นที่เขาเรียกว่าโล ก, กับวัดชะโลกวัชชะมันมีสองความหมายนะครับความหมายในพระไตรปิฎกกับความหมายที่เราเข้าใจกันในประเทศไทยสองความหมายควาว่า โลกวัชชะมาคู่กับปันนติวัชวชะวัชชะแปลว่าโทษปันนติคือบัญญัติปันนติวัชชะคือโทษตามพระบัญญัติที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้โลกวัชชะหมายถึงโทษตามที่ทางโลกกาหนดไว้ในในพระใจรปิฎกเขาหมายความอย่างนี้ครับโลกตามที่ทางโลกกาหนดไว้ เช่นอะไรครับค่ามนุษย์ค่าคนตายพิษปนติวัชระเป็นอาบัติประราชิกข้าจะความเป็นพระนี่เขาเรียกว่าเป็นปนติวัชระด้วยเป็นโลกาวัชระด้วยค่าคนตายติดคุกครับเพราะฉะนั้นในส่วนข้าจจความเป็นพระเป็นปณติวัชะ ไปติดคุกตามกฎหมายบ้านเมืองเป็นโลกับวัชชะท่านใช้ในความหมายนี้ครับความผิดบางอย่างของพระเป็นปั น, นัดติวัชชะไม่เป็นโลกับวัชชะเช่นอะไรครับฉันเข้าเย็นครับฉันเข้าเย็นนี่ชาว บ, บ้านไม่ติดคุกเหรอครับไม่งั้นไม่มีที่ขันเลย ฉันเขาเย็นแต่เราเป็นอบัติเขาเรียกปัณติวัชชัตงต่อมาในประเทศไทยเราตีความขยายครับฉันเขาเย็นก็เป็นโลกระวัชชันี่ตรงนี้แหละครับแต่เป็นวันชชังอ่อนไม่ได้ติดคุกเป็นชาวโลกติดเตียงเขาเรียกว่าสังคมประนาม มันเป็นโซเชียลแซงเช่นก็มาเป็นโลกวัชชากด้วยเมื่อสังคมติเตียนชาวโลกประนามเนี่ยมันเป็นโทษที่ทางโลกลงให้พระด้วยการประนามซึ่งมันไม่มีบัญญัติเราก็มาใช้โดยอนุโลมอันไหนที่เป็นจารีตแม้จะ ลโทษทางพระบัญญัติไม่สูงจะดื่มสุราแต่อาจาระไม่เหมาะสมเมาคมสติไม่อยู่เราบอกโลกวัชชะก็อเอาแต่ว่าตามกฎหมายมันไม่สูงแพ้โทษไม่แบนไม่น่ะแต่ตีเตียนก็อนุโลมเข้ามาก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เรียกันว่าโลกวัชชะในความหมายว่าชาวโลกตีเตียนจำแค่นี้ว่า ถ้าเป็นความผิดทั้งตามบัญญัติอย่างเดียวเป็นปนัดติวัชชะความผิดที่ทั้งความผิดที่ชาวโลกบัญญัติตามกฎหมายเป็นโลกะวัชชะแต่ความผิดที่เป็นปนัดติวัชชะแล้วชาวโลกตีเตียนด้วยก็มีทั้งปนัดติวัชชะโลกะวัชชะตรงนั้นแหละการวินิจฉัยว่าโลกะวัชชะมันแรงแค่ไหนก็อาศัยจารีตในประเทศไทย ไปอินเดียไปลังกายยสุบุรีในขาดนะครับชาวบ้านเขาถือมากๆเลยครับอันนี้ถ้าท่านไปสุบุรีในที่สาธารณะให้เขาเห็นเป็นเรื่องหลายแหล่ครับเหมือนดื่มสุราเลยครับในประเทศไทยผมเจอกับตัวเองครับ น, นิมนสังคายยกลังกามา พูดที่วัดมหาธาตุที่มหาจุฬาเพราะท่านขึ้นพูดนะครับท่านโวยวายเลยนะครับท่านตอว่าพระไทยเลยว่าทําไมไปสุโบรีริมถนนไม่เกรงใจที่ประชุมไปหลร้อยคนเลยท่านพูดเลยท่านถือว่าผิดหลายแรงครับอันนั้นประมาณสักยี่สิบปีมาแนละ้วก็เลยเป็นเหตุให้ผมต้องไปถามไปศึกษาดูว่าทําไมท่านถึงถือว่าเป็นเรื่องรลายแรงเหมือนกับที่เราเห็นพระเมาในที่ตลาด น, นะ ก็ได้ความว่าในอินเดียในลังกาเนี่ยเขาถือว่าบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งเสพติดพระ ค, ควรจากงดเว้นเขามองเป็นอย่างนั้นถ้าพระซึ่งสละแล้วยังติดอยู่กับเรื่องอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่กลับไม่ไหวเลยอันนี้ก็เป็นจารีตนะครับซึ่งโทษทางโลกับวัชชะในอินเดียในลังกาในเรื่องของการสูบบุหรี่สาหรับพระเนี่ยหนักกว่าบ้านเรา ต้องระมัดระวังนะครับเวลาเดินทางไปเอเตือนกันพลาดใหม่บางทีไม่รู้เรื่องนะครับไปจะโดนชาวบ้าเนี่ยมาชี้หน้าว่าเลยครับมันเสียหายดีไม่ดีว่าเราพลัดไทยไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งครับเอเรื่องแรกนะครับถ้าเห็นว่าผิดซึ่งหน้าพอจะแนะนําไม่หลายแรงเราแนะนำสอง ถ้าเป็นความผิดที่เป็นโลกวัชชะแต่ไม่มีโทษหนา յ แรงเราก็ต้องให้ทำทันบนเป็นละละอักษรอย่างเช่นเรื่องของการวิธบานเวียนเทียนจะีตีเทียนมากแล้วบางทีแม่ค้าก็มาร่วมผลประโยชน์ร่วมกันเจอแล้วนะครับ แนะนำก่อนขั้นที่หนึ่งแนะนำอย่าทำไปขั้นที่สองยังเจออีกทันบนละครับอยู่วัดไหนอะไรมาเลยทำบท ก, การเรียอะไรบังทีเจตนาดีรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีใบอนุญาตไม่มีหนังสืออนุญาตแต่ทำด้วยเจตนาดีรู้เท่าไม่ถึงการเป็นความผิดครั้งแรก อาจจะแนะนำะเป็นความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการแม้จะครั้งแรกทำทันบนไว้ครับเดี๋ยวมาอีกครับเรย่อะไรนี่มาเลยก็หมายความว่าถ้าทำทันบนแล้วเนี่ยนะครับยังจะทำอีกเมื่อมาเจอกันอีกครั้งที่สามที่สี่ไปถึงขั้นที่สามนะครับ อาจจะต้องถืออย่างานี่อะไรนี่ผิดกฎหมายเนี่มันจะดำเนินการตามกฎหมายแหละซึ่งอาจจะถึงติดคุเกเจตนาไม่ดีอาจจะต้องลาศิกให้ลาศิกขาถ้าเป็นกรณีที่ลาศิกขาก็ต้องนำส่งเจ้าคณะที่รับผิดชอบเจ้าคณะในในตำบลนั้นในวัดนั้นที่ตํัดหรืออะไรก็แล้วแต่เอเภอนั้งนะฉะนั้น การดําเนินการตามาตามหน้าที่ของท่านก็จะมีจากเบาไปหาหนักการแนะนําตักเตือนที่เป็นโทษทางพระวินัยที่เบาหรือไม่ก็เป็นโลภะวัชะที่ไม่หลายแรงหรืออาจจะไปโลภะวัชะแต่ว่ามันเพิ่งครั้งแรกแนะนำได้ส่วนที่สองเนี่ย อาจจะเป็นโลโกชาที่หนักขึ้นแต่ไม่ได้ผิดวินยัยหลายแรงทําทันบนครับหรือผิดกฎหมายทันบนเจอเมื่ อ, อไหร่เป็นเรื่องเลยละเป็นอะไรละอักษรอยู่ที่ไหนอย่างไรอันที่สามถ้าโทษหนักหลายแรงหรือผิดเพราะทาวินัยเป็นอาจรินทําดันบนแล้วอาจถึงลาสิกขานําส่งเจ้าคณะ ให้ท่านวินิจฉัยสังกัดในกรุงเทพมหานครนะครับให้พระวินยาธิการเนี่ยทำอะไรบ้างความผิดประเภทไหนที่เขาเน้นนะครับผมมาจากยพทมก็มาเรียนถวายรวมอาจาระที่ไม่เหมาะสมที่เขาประมวลมานะครับให้เป็นหูเป็นตาในภาคสองเ่าก็ด้วยครับ อยากให้ดูแลไม่ใช่ในเรื่องอะไรบ้างนะครับเป็นช่วยเจ้าคณะผู้ปกครองในเรื่องต่อไปนี้ครับหนึ่งครับเรื่องพูดมาแล้วครับบินทบาทเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับบินทบาทเบียนเทียนอะไรต่อเนี่อะไรเนี่ยนะเรื่องบินทบาทที่ทาให้คนเสือส่อมศรัทธาข้อที่สองครับเรีย อ, อะไรโดยไม่ได้รับอนุญาต เรื่องบินธบารเรื่องเรียระไรเนี่ยในกทมเจอปัญหาซับซ้อนก็คือตรวจใบสุทธิ์ด้วยบรรทีมีอาจาระไม่เหมาะสมที่ตรวจใบสุทธิ์หรือบัตรประชาชนถ้ามีพระจริงหรือพระปลอมครับมีคนปลอมบวชมาหาผลประโยชน์ในในกรุงเทพเนี่ย ยศชนิดที่ว่าเจนะ้าคณะเนี่ยนะจับศึกไปแล้วมันมันไม่เลยเดี๋ยวไงชุดเดิมไปเลยครับจับหลายรอบเลยจนปวดหัวเลยครับเพราะไม่ได้ดําเนินการตามกฎหมายติดคุงนี่เอาซึ่งนอย่างเดียวไงถ้าดําเนินการตามกฎหมายด้วยต้องถือว่าแต่งตัวเรียนแบบพระสงค์มีโทษจําคุกครับแต่แต่พระวริทยธิการในส่วนกางเนี่ยไม่ที่จริงต้องทําทันบนไว้ครับ ถ้ามาอีกนะตามกฎหมายเนี่ยมีโทษเลียนแบบไม่ใช่จับศึกอย่างเดียวแต่งกายเรียนแบบพระสมฆ์เลยฟอ้องศาลได้เลยครับให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองขอหลักขาเลยติดคุกไปเลยไม่งั้นมาอีกครับนี่คื อ, เ, อ, อเรื่องที่สองครับเรื่องที่สามเที่ยวเล่ร่อนหาลาบสกาละเดินไปกเ็เหมือนกับไป ยังไงดีเหมือนกับไปทักดวงทักอะไรต่างๆเนี่ยนะเนะ้อดูดวกันตานั่นแหละกับสะดอกเพราะกันตาง้างอะไรเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมครับมันได้อยู่ที่วัดเป็นที่เป็นทางเรียกว่าหาราชการะข้อที่สาข้อที่สี่ครับพักค้างโรงแรมตามบ้านเรือนตามโรงแรมตามอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องดำเนินการอาจจะต้องตักเตือนหรืออะไรก็แล้วแต่แนะนา หรือส่งกลับวัดให้เจ้าคณะว่ากล่าวตักเตือนไปข้อห้าครับในกรุงเทพนะครับปับกกรดครับตามที่สาธารณะสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งถนนหนทางที่ไม่ใช่ที่ที่เป็นที่เหมาะสมที่สงบสงัดอะไรเงี้ยเรื่องปักกรดในที่ชุมชนเลยนะข้อหครั บ, อ, อ, อ, รบอันนี้เราตักเตือนได้เลยนุ่งห่ม ไม่เรียบร้อยห่มชีวร อ, อะไรต่างเนี่ยบางทีผมยนไม่เรียบร้อยสันนิษฐานอีกพัะจริงพักรอมครับข้อเจ็ดครับเวลาจัดงานใหญ่ๆนะครับไม่มีดีกาก็มาแล้วก็มาฉันด้วยมาเข้ารับสิ่งของถวายดีไมดีมานั่งแทนอีกเนาะ <c oughs> เออไม่ถามก็ไม่รู้ามาจากไหนเนี่ยมัว่วนะ อันนี้วิยาณเทสการก็ไปช่วยหน่อยตางานใหญ่ๆข้อแปดไอ้ที่สื่อชอบอไปลงเนี่ยไปเท่าด่าญาติโยมบนรถเมย์มาง่งด่าอะไรต่างๆเนี่ยนะโกรธขึ้นมาเนะี่ยเขาถ่ายคลิปไว้เนะี่ยนี่ก็ไม่เหมาะสมกล่าวถอยคำไม่เหมาะสมข้อเก้าพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่มีสตรีอยู่กับมาตุกําข้อสิบ ไปบุกรุก ป, ป่าสงวนพื้นที่สาธารณะไปยึดเนือเอาเป็นที่พักถาวรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องฟอ้องสิครับข้อสิบเอ็ดตั้งสำนักดูดวงเข้าทรงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในวัดเดียวนะครับข้อสิบสองาศัยอยู่ในที่อาโคจรแล้วยังมีเอ่อ ไปที่ห้างไปอะไรต่าง ๆ, ๆนี่ก็ปวดหัวนะครับพระไปเท่าเดินเพ่นพ่านหมดเลย ช, ช้อปปิ้งอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ข้อต่อไปครับอาจจะเล่นการพ น, นันแล้วข้อสุดท้ายอย่างอื่นเช่นยาเสพติดสุราก่อความ ว, วุ่นวายหรือเรื่องจารีตทั้งหลายนี่ก็ประบวนอยู่ในนี้ ถ้าเห็นเรื่องเหล่านี้เนี่ยบางเรื่องในสังคมตำหนิรุนแรงแล้วก็ถ่ายคลิปประจานเราต้องรีบระ ง, งับเหตุอย่างน้อยถ้ามเีเราก็ไปถึงที่เหตุที่เกิดเหตุ น, นะครับเ <c oughs> ช่นเมาสุราหรือด่าญาติโยมหรือชกต่อยสมยัมาติโยมก็มีเลยอย่าให้ไปขึ้น YouTube เลยครับถ้าพระวิรยาที่การไปห้ามมันได้คะแนนให้กับคณะสงฆ์นะ ใครทำไม่ดีหรือถึงที่ทันตันทันทันทางการอย่างเนี้ยในเขตภาคสองนี่ถึงจะทําผิดแต่ได้แต้มนะครับมันลบลบลบบวกลบกับลบมันได้บวกเนียเออเขาทําผิดแล้วเราไปจับที่เขาทําผิดที่จริงไม่คนมีแต่มันได้คะแนนลบกับลบเป็นบวกเนี่ยนี่คืออย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นชื่อเสียงคณะสงฆ์นี่ที่มันโมหมองเนี่ยเพราะพระทาผิดเนี่ยมันเป็นลบ และถ้าเราเนี่ยไปจับไปลงโทษซึ่งมันไม่ควรเลยมันควรจะยกย่องให้รางวัลกันการยกย่องให้รางวัลเรียกว่าทางบวกแต่ไปจับไปลงโทษไปตำหนิมันเป็นลบเอาลบไปเพิ่มให้ลบมันออกมาเป็นบวกครับในทางคณิตศาสตร์ลบกับลบเป็นบวกเนี่ยในเรื่องคดีสงฆ์เนี่ยเราก็คือถามว่าวิาทีการทำอะไรครับ เือต้องการให้ลบกับลบเป็นบวกมีพระทาผิดแล้วเราไปบวกคือช่วยเขาเสียหายทั้งข้องกับพระทาผิดเรารู้เรารับทราบได้รับฟ้องรีบดำเนินการสอบสวนการสอบสวนบางทีนะครับมันอายเขาซื้อมันไปลง ใช่ไหมอยากจะปิดไม่อยากสอบไม่อยากเปิดเผยแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าทุกไซโค้งไปรายงานสื่อลบอย่างเดียวแก้ไม่ได้เลยแต่ถ้าพระทำผิดเจ้าคณะลงไปพื้นที่ไปสอบพระทำผิดพระวิทยาลัการลงไปสอบ การสอบเป็นลบต่อผู้ถูกสอบเขาทำผิดเป็นลบแต่ถ้าสื่อรายงานออกมาเป็นบวกแล้วเรื่องจบผมในฐานะเจ้าคณะภาคเนี่ยผมก็จะดูสื่ออย่างเร็วๆนี้ในในจังหวัดใ น, ในภาคเราเนี่ยโยมรวมตัวกันมาไล่เจ้าวาดไล่เจ้าวาครับข้อหา ย, อย่างนี้ ถ้าหัวข่าวผมก็ไม่สบายใจผมก็ไม่อ่านเนื้อข่าวโอ้เจ้าหันต้ตำบนลงไปที่วัด น, นั้นเรียกสอบสวนแล้วไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ความผิดชัดเจนแต่การใช้เงินทอง ม, มันมีหลักฐานเจ้าตัวยอมรับในฐานะเจ้าว่าว่าบกพร่องการบกพร่องคือให้ออก แต่อันนี้ไม่ต้องให้ออกเจ้าตัวยอมว่าลาออกโยมก็ถอยฝา่ายทุกฝ่ายพอใจผมอ่านในฐานะเจ้าคณะผมก็สบายใจแม้จะเกิดเรื่องแต่ท่านไปดำเนินการลบกับลบเป็นบวกฉะนั้นในฐานะเจ้าคณะและท่านในฐานะพระสังฆาธิการ ในฐานะภวิยาธิการท่านต้องคิดให้ดีว่าลบอย่างเดียวแล้วเราไปปกปิดมันคุ้มไหมช่วยกันหรือสงสารแต่ถ้าเกิดมันใครเอาไปปูดขึ้นมามันเสียหายยดุดกับเราดำเนินการเองมันดูเหมือนทำให้เจ้าตัวเขาเสื่อมเสีย แต่มันลดแรงกดดันเช่นอย่างไงครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงอีกเทนึงครับท่านเป็นเจา้าวาดวัดไร่ขิงใหม่ๆอยากจะรื้อครับไอเจดีย์ D, เกมอัฐิของชาวบ้านลอบโบดวัดไร่ขิงเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ก็รู้อัฐิชาวบ้านเต็มหมด ท่านอยากรื้อครับท่านอยากรือ้อไปขออนุญาตญาติโยมว่าวัดจะสร้างเป็นกระเ บ, แบงแก้วแล้วย้ายอัฐิเหล่านี้ไปไว้ในไ อ, ไ, อไอ่ช่องอเป็นระเบียบดีกว่าเป็นเจดีเป็นโกดเป็นอะไรให้สุนัขมันถ่ายรถเอาไหมชาวบ้านเก้าสิบ 90% ้าสิบเอร์ซ็นเอาเอาด้วยกับพระยกเว้นอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่แล้วก็มีหลายเจดีย์ด้วยตระกูลนี้เก่าแก่มีอทธิบทไม่ยอมทางเจ้าว่าก็เลยบอกว่าก็ได้ไม่ยอมก็เข้าใจแต่จะขอรื้อเจดีย์ทุกทิ้งในส่วนที่เขาอนุญาตเท่านั้น ในที่ประชุมตกลงกันอย่างนั้นกลับมาวัดออกลับมาที่กุฏิเรียกพระในวัดมาสั่งร่างกายกำยาแข็งแรงบอกเอาค้อนไปทุบเจดีรอบรอบโบสถ์เกาทิสร่างไปอย่างนี้พระท่านก็ทุบเรียบเลยท่าน ทุบเรียบเลยไอ้บ้านครอบครัวที่ห้ามทุบรู้ข่าวเขา้ามากันทั้งบ้านเลยครับญาติเยอะเป็นม็อบเลยมาต่อว่าพระที่ทุกท่านทุกได้ยังไตงตกโลงกระสมพายแล้วว่าไม่ทุบทำนี้ได้ยังไงพระน้าสีนเลยครับโดนลุกก็บอกเจ้าว่าสั่ง เลยแห่กันไปทั้งพระทั้งโยมไปหาเจ้าว่านเจ้าว่านก็ถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็บอกไปทุกข์อย่างนี้อย่างนี้หมดเลยเจ้าว่านก็บอกว่าผมสั่งให้ทุกข์แค่นี้แล้วท่านไปทุกข์ทำไมทําเกินคาสั่งผมจําไม่ได้คือสมองท่านทุกข์อยู่แล้วครับสั่งหรือไม่สั่งก็ไม่รู้แต่เจ้าว่านดูอย่างนี้ก็บอก ผมจําไม่ได้เจ้าว่าก็ถูอป่าด่าเลยครับเนี่ยมันทําให้เสียหายต่อพระหนสงฆ์พระอย่างนี้มันอยู่ได้ยังไงว่าไปพระหน่าซีดลงซีดลงชาวบ้านสงสารพระครับรู้เท่าไม่ถึงการอย่าไปว่าท่านเลยครับพุกแล้วไปแล้วกันยกตับเลยครับพอชาวบ้านกลับสมผานก็เอาผ้าไตรนมโอนตินถวายท่านทําดีแล้ว เด้ออันนี้ถูกพิดหรือพราะว่เลกถล่ามไปปักอยากรู้ละเอียดไปอ่านเรื่องอกสมพันธ์ของท่านเรื่องไม่ได้หมายให้เขาจะต้องเหมือนกันแต่ถ้าท่านไม่นะครับไม่ลำหนีไม่ลงโทษไม่อะไระต่างๆเนี่ยมันลุกหลัมท่านมันเป็นกูต์โลบายพราะาิทยาธิการสถีก็ต้องอย่างนี้แหละครับรูปหน้าปัจจุมุครับท่านก็จะไปตรงดิ่งไปอย่างเดียวนะครับเพราะมันจะไม่มีอำนาจ มีอำ น, นาจเป็นยักษ์ในกระบอกเมื่อไรค่อยเต็มที่แต่จําเป็นอย่างยิ่งครับเพื่อที่จะให้นานใน เ, เรื่องของคณะสมี่ยมันมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นลบเป็นกับลบเป็นบวกสุดท้ายครับไม่ได้ระบุไว้ในหน้าที่พระสังฆาธิการทั่วไปแต่จําเป็นอย่างยิ่งครับนั่นคือเรื่องสื่อออนไลน์คอมพิวเตอร์ครับท่านอาจจะตรวจ ลงไปตรวจโดยลงพพ้นที่อย่างไปเห็นเองหรือรอให้คนฟ้องแต่ข้อที่สามครับเปิดซื้อหนังสือพิมพ์ออนไลน์คอมพิวเตอร์ดูว่าหนึ่งมีเรื่องที่ไหนสองพระเนนชอบเขียนอะไรแปลกๆเนี่ยไอย้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ พูดบนรถเมย์อย่างเดียวในวัดอย่างเดียวนะครับมันเขียนในเฟเขาเขียนกันใน a ฟ e b o o k ในเว็บไซต์ i ิน t a g แกรอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันผิดพลาชมัยัาคอมพิวเตอร์ด้วยเป็นความผิดทางกฎหมายนะครับบางเรื่องผิดพ ร, ราชมัญยัาคอมพิวเตอร์หรือถ้าไม่ผิดก็ไปโลกับวัดชัวัดไหนรูปไหนเว็บไหนทําเนี่ยอยู่ในเขตของท่าน โทรไปเตือนหรือไปว่าการตักเตือนทันทีครับจะช่วยงานคณะสมได้มากเลยครับตรงนี้ภาคสองนะครับอาจจะขอเป็นภาคแรกก็แล้วกันถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ขอจ้จังหวัดครับนี่ก็ประมาณนี้นะส่วนมากเรามีแตนะ่นั้นเนี่ยไอ้เครื่องเล็กๆเนี่ยแม้กระทั่งโทรศัพท์มันก็มีได้ serve สอบคน้นการแสดงอาจารยที่ไปเหมาะสมของพระ ที่คนอื่นถ่ายทำขึ้นเว็บขึ้นอินเทอร์เน็ตขึ้นสื่อออนไลน์หรือพระเองนำข้อมูลข่าวสารภาพตัวเองเนี่ยขึ้นแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเหมาะสมทั้งหลายถ้าเห็นว่าควรจะเนตนำชี้แจงว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนทำเลยครับจะเป็นคุณต่อพระศาสนาอย่างมากเลยเพราะภาพทุกวันนี้สื่อก็หาจากตรงนี้แหละครับและถ้าเราไม่ทันนะครับ มันก็จะลบมากขึ้นครับข อ, อฝากประเด็นต่างๆเหล่านี้เพียงเท่านี้ครับขอเปิดการป ร, ประชุมสัมมนาและพร้อมถวายข้อคิดความเห็นเสร็จเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขอหน้าแห่งคุณภระีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บาเพ็ญเพื่อพระาศาสนาจงมารวมกันเป็นสมาธิชะพลวัลปัจจัย อ, ยอํานวยพรให้ทุกท่านสามารถในการปฏิบัติหน้าที่สําเร็จรุ่ร่วงไปโดยปราศจาก ทุกทรงโรคภัยอุปสรรครายทั้งปวงเจริญยิ่งขึ้นในร่มทรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกที่พาลาตรีการตลอดกาลละนานเทิน